น้นมาจากไหนเมื่อไรเมือ่อเจนดสฝึกกันมาแบบไหนเคยเรียกกนสมถทานแบบไหนใช้ลมหายใจครับดูพุโทโธไปท่านพ่อท่านพ่อลีท่านพ่อเสื่อมไม่น่าทันท่านพ่อลีนะดูหน้าตา <c oughs> ตอนท่านพ่อลีมรณะภาพหลวงพ่ออายุ9ปี เรียนกับท่านตอนอายุเจ็ดขวบเรีกับท่านพ่อรีฝึกหายใจหายใจอยู่ยี่สิบสองปีทำวิปัสนาไม่เป็นเพราะว่าอยู่ไกลครคลูบาอาจารย์อยู่ห่างครูบาอาจารย์แล้วก็เรียนได้นิดเดียวนะได้แต่สมถะตอนหลังมันเจอหลวงปู่ดูลถึงได้มาทำวิปัสนาเป็นที่จริงการทำวิปัสนารู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้อะไรก็ได้ ถ้าทําถูกแล้วมันเข้าไปที่เดียวกันถ้าเรารู้ถูกต้องเนี่ยทํากรรมฐานอะไรก็ตามสติอย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นสมาธิความตั้งมั่นก็เหมือนเหมือนกันปัญญาก็เห็นไตรลักอย่างเดียวกันนี่เบื้องต้นจะหัดพุทโธหัดหายใจก็ได้ไม่มีอะไรไม่ผิดนะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าฝึกหายใจการหายใจเนี่ยมันจิตมันติ๊กแรงได้สี่แบบ อันที่หนึ่งหายใจไปแล้วก็เคลิบเคลิมลืมตัวอันนี้ใช้ไม่ได้เลยิงพวกเราหลายคนตกคํำชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะเปิดเทปธรรมะสมัยก่อนเป็นเทปนะนั่งหลับไปชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกวันนี้จิตสงบนะหนึ่งนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไปเจอเอ็มพีสามนะนั่งจนเช้ายังไม่จบเลยขอเคล็ดไปก่อน เพราะฉนการนั่งหายใจเข้าหายใจออกหรือพุโทโธหรือดูท้องพองยุบอะไรก็ตามเถอะฝึกกรรมฐานอะไรก็ตามอย่าขาดสติสติเป็นของสําคัญนะจําเป็นครูบาอาจารย์สอนสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจําเป็นเพ้นถนะ้าหายใจหรือดูท้องพองยุบหรือขยับมือทําจังหวะเดินจงกรมแล้วขาดสติ ลืมเนื้อลืมตัวนี่ใช้ไม่ได้สำนักไหนก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหมดอย่างที่สองเราหายใจไปหรือเราดูท้องฟองยุบไปหายใจไปหายใจไปเนี้ยจิตเราไหลเข้าไปเกาะนิ่งนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเคยเป็นไหมจิตมันเข้าไปเกาะอยู่ที่ลมหรือคนไหนดูท้องพองยุบดูไปเรื่อยๆจิตมันไหลลงไปอยู่ที่ท้องไปเกาะนิ่งนิ่งอยู่ที่ท้อง บางคนเดินจงกลมยกเท้ายั่งเท้านะจิตไปเกาะ อ, อยู่ที่เท้าบางคนขยับมือสายลงพัดเทียนขยับมือถ้าขยับไม่ถูกต้องเนี่ยจิตก็ไหลไปเกาะ อ, อยู่ในมืออันเดียวกันนะเห็นไหมเวลาทำผิดก็ผิดเหมือนกันนหะสำนักไหนก็อย่างเดียวกันอันนี้เดียวว่าผิดซะก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นแค่สมถะ หลักของสมถะก็คือการที่เราน้อมจิตเนี่ยเข้าไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเ น, นื่องเช่นหายใจไปนะแล้วใจเราก็ไปเคล้าอยู่ที่ลมสบายบายรู้อย่างสบายๆที่ลมจิตใจจะสงบได้สมถะดูท้องพองยุบไปอย่างสบายๆใจเคล้าอยู่ที่ท้องนะก็ได้สมถะแต่ถ้าไม่สบายเครียดเครียดไม่ได้สมถะนะถ้าเครียดเครียดใช้ไม่ได้ เคล็ดลับของการทำสมถะคือต้องสบายเคล็ดลับนะกว่าจะเข้าใจเคล็ดลับนี้เหนื่อยแทบตายเลยนะบอกให้ฟรีๆนะฟังเราจะไม่บ้านะหายใจไปหรือดูท้องฟังยุบไปนะดูอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆ อ, อย่าหวังว่ามันจะสงบเมื่อไหร่จิตใจมีความสุขที่ได้รู้ได้ดูจิตจะสงบอัตโนมัติ ในหลวงพ่อพุด ท, ท่านเคยสอนหลวงพ่อไม่อีกทท่านก็ไม่เก็บตะตังนะท่านก็สอนปรีเหมือนกันท่านก็บอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจมีปั ส, สนาเริ่มเมื่อหมดความคิดแม่ดูท่านสรุปออกมาได้เก่งมากเลยถ้าเราจงใจจะให้สงบตั้งอกตั้งใจบังคับตัวเองให้ไปอยู่ที่ลมอยู่ที่เท้าอยู่ที่ท้องอยู่ที่มืออยู่ที่กายทั้งกายไม่สงบหรอก จิตใจอึดอัดหายใจเล่นๆรู้ไปเล่นๆเดี๋ยวเดียวก็สงบนี่สองแบบแล้ว น, นะแบบที่หนึ่งรู้ลมหายใจรู้ท้องฟองยุบหรืออะไรก็ได้แล้วขาดสติเคลิบเคลิมหลืมเนื้อลืมตัวใจลอยไปหรือหลับไปเลยฝันไปเลยหรือแอบไปคิดเรื่องอื่นเลยนี่ใช้ไม่ได้สมถะก็ไม่มีวิปัสนาก็ไม่มีอย่างที่สอง รู้ลมหายใจรู้ท้องของยุบรู้มือรู้เท้ารู้กายทั้งกายรู้อย่างสบายๆแล้วใจก็เกาะสบายๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะมีความสุขได้สมถะอย่างที่สามอย่างที่สามเริ่มยากขึ้นนิดหนึ่งละเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยขึ้นมาถึงตรงนี้อย่างเราหายใจอยู่เราเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะเราดูท้องของยุบอยู่ เราเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเป็นคนดนะูมีใจเป็นคนดูอยู่ทั้งหากนะอันนี้เริ่มทําไม่ค่อยกันได้ทําไม่ค่อยจะได้ละหรือขยับมือนี่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ใจเป็นคนดูเห็นกายกับใจมันคุลาอันกันนะแยกรูปแยกนามออกมาอันนี้เป็นต้นทางของการทํำมิปัสสนาที่จะรู้กายเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเห็นว่าร่างกายนี้มันหายใจ รูปนี้มันก็เพิ่มเข้ากรบเพิ่มออกรูปนี้มีาธาตุไหลเข้าไหลออกใจเป็นแค่คนรู้คนดนูสิ่งที่กำลังหายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา uhh เป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุใจมันรู้สึกนะเนความรู้สึกของใจใจมันรู้สึกเลยไอตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราวัตถุมันกำลังกระเพิ่มเข้ากับเพิ่มออกก้อนธาตุก้อนาธาตุนี่ก้อนธาตุมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกมีแต่ธาตุกับธาตุทั้งนั้นหละ ไม่มีคนไม่มีสัตว์การที่เรารู้ลงมาที่กายแล้วเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรู ป, ปรธรรมอันหนึง่งหรือเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งที่มันไม่ใช่เราถอนถอ น, อนความเห็นผิดว่ากายเป็นเราอยู่นี่คือการทำ้ิัพสนาด้วยการรู้กายแล้วก็มีจิตเป็นคนดูนะตรงนี้ต้องระวังนะหลายคนไปรู้กายเลยไม่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไหลรวมอยู่ในกาย ไปรู้ลมหายใจจิตไปรวมเข้ากับลมรู้ท้องจิตไปรวมอยู่กับท้องรู้เท้าจิตไปรวมอยู่ที่เท้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ได้แค่สมถะแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเรานะใจเป็นแค่คนรู้คนดูกนกายเป็นแค่วัตถุเป็นต้นท่าที่จิตไปรู้เข้าเห็นอย่างนี้นะถึงจะทำวิปัสสนาได้ เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาดูกายท่านไม่ทิ้งสมถะนะถ้าเดินแนวของครูบาอาจารย์วัดป่าห้ามทิ้งสมถะเพราะท่านจะดูกายการดูกายจะต้องมีสมาธิหนุนหลังเพราะว่าในพระพิธรรมสอนบอกกายานุปัสสนาเนี่ยห ม, มาะกับสมถะญาณิกหมาบคนเล่นฌานเวลาเร า, าฝึกไปฝึกทําใจสงบนะเรารู้ลมหายใจไป เราเห็นเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าต้อฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ท้องพองยุบ ก, ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้คนไหนเริ่มต้นจากการดูจิตก็ดูไปเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยจ่แยกเอาผู้รู้แต่สิ่งที่ถูกรู้ออกจากกั น, นะเคยได้ยินคำว่าจิตผู้รู้ไหมเออถ้าเรียนในวัดป่าแล้วไม่รู้จักจิตผู้รู้นะล้มละลายแล้ะ ล้มเหลวเลยเดินในวัดป่าต้องรู้จักจิตผู้รู้จิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้หลงจิตของคนในโลกนี้มีแต่จิตผู้หลงนะหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งจิตผู้รู้ก็คือจิตที่คอยรู้ทันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นกิเลสเห็นกุศลผ่านมาผ่านไปจิตเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปก้าวก่ายนี่ต้องมีจิตอย่างนี้ถึงจะเป็นทำมิปัสสนา แล้วเห็นมากายนี้ไม่ใช่ตัวเราคนที่ฝึกกับหลวงพ่อจำนวนมากนะเป็นร้อยร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่ร้อยแล้วนับไม่ถูกแล้วในห้องนี้ก็แย่ๆเลยที่ฝึกจนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาละจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นของที่ถูกจิตรู้รู้สึกไหมที่มาเรียนสองสามครั้งก็เห็นแล้ ว, วร่างกายเป็นของที่ถูกจิตรู้นะกุศลนะ่ะกุศลสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ดูออกอยัง เป็นของที่แปลกปลอมผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งหมดเลยนะง่ายนิดเดียวขอให้สติตัวจริงเกิดเท่นั้นแหละแต่ส่วนใหญ่สติไม่เกิดนะเกิดแต่การกําหนดเกิดแต่การเพ่งการกําหนดการเพ่งมันคือสเต็ปที่สองคือการทําสมถะอันแรกเลยหลงไปไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาอันที่สองไปเพ่งลมหายใจเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งมือได้สมถะอันที่สาม ทำมิปัสนาด้วยการรูกายเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปหายใจไปขยับมือขยับเท้าไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปใจเป็นแค่คนดูเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ทรมิปัสนาดูกายแล้วนะค่อยๆดูไปอย่างที่สี่นะมีอย่างที่สี่ด้วยหายใจไปดูท้องของยุบไปหายใจไปดูท้องของยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดเลยเคยเป็นไหมหายใจแล้วหนีไปคิด ไม่ห้ามมันนะไม่ห้ามมันให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดละหายใจต่อไปอีกจิตไหลไปเกาะนิ่งนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าไปเพ่งรู้ทันว่าจิตเพ่งลมหายใจแล้ะดูท้องก็จิตก็เข้าไปเพ่งท้องให้คอยรู้ทันไหมหายใจไปเรื่อยๆจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีอุเบกขารู้ว่ามีอุเบกขา หายใจแล้วฟุง้งซ่านหรือว่าฟุงา้งซ่านนะหายใจแล้วสบายใจก็รู้หายใจแล้วหงุดหงิดก็รู้หายใจแล้วจิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆนี่คือการหัดดูจิตนั่นเองถ้าเราดูจิต ด, ด้วยการหายใจนะหายใจไปแล้วก็ดูจิตไปในที่สุดจิตจะจําสภาวะของจิตได้เยอะแยะเลยเหลอไปก็รู้จกักอ้อเหลอเป็นอย่างนี้เพ่ <t une> งเป็นอย่างนี้นะดีใจเสียใจสุขทุกข์ังวลโรโปวดหลงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้ พอจิตมันจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองสติจะเกิดขึ้นก็จิตจำสภาวะได้นี้ไม่ใช่หลงข่อโมเมียวเองนะในพระพี่ทำสอนไว้อย่างนี้สติมีการจำสภาวะทำได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพนั้นเรามีหน้าที่หัดรู้สภาวะนะทำกรรมฐานขึ้นมาอันนึงแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำเอานิ่งนะทำเอานิ่งมันเป็นแบบที่สองได้สมถะ ไม่ได้ทำเอาความเคลืบอเคลิ่อลืมตัวอันนั้นแบบที่หนึ่งไม่ได้เรื่องเลยทําไปยิ่งทำกิเลสโมหายิ่งมากขึ้นมากขึ้นใช้ไม่ได้อย่างน้อยก็ได้แบบที่สามแบบที่สี่นะแบบที่สามก็คือเห็นกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแบบที่สี่เนี่ยความรู้สึกอะไรแปลกปลอมพ้างในใจคอยรู้มันเรื่อยเรื่พอรู้มันเรื่อยเรื่อยต่อไปเราจะเจริญสติในชีวิตประจาวันได้เช่นเราเห็นเพื่อนเราเดินมา พอมองเห็นท่านั้นมันดีใจแล้วเราเห็นความดีใจผุดขึ้นมาไม่ใช่ไปกำหนดดูประสาตตาดูรูปนะถ้าอย่างนั้นไม่มีดีใจเห็นเพื่อนก็อย่างนี้เห็นหมาเห็นแมวเห็นอะไรมันอย่างนี้หมดเลยนะใช้ไม่ได้นะพอเห็นเพื่อนเราเดินมามันดีใจแวบขึ้นมาสติเราลึกเองเห็นได้ความดีใจผุดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแสดงใตรักทันทีเลยเห็นหมาบ้าวิ่งเข้ามาใจกลัว ใจกลัวรู้ว่ากลัวนะอย่ามัวแต่ไปพิจารณานะว่าหมาบ้าเป็นแค่ก้อนชาติอ่ะอย่างนั้นโง่งเกินไปนะห <c oughs> มาบ้าวิ่งมากลัวรู้ว่ากลัวแล้วก็วิ่งเข้านะห <c oughs> นีหลบเหล็กไปเ น, <c oughs> นี่ยอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้เรื่อยรู้ไปเรื่อยนะเราจะเห็นเลยพอตาเรามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยน <c oughs> เห็นเพื่อนเรามันดีใจเห็นหมาบ้ามันกลัวเนี่ย เห็นหน้าศัตรูไอ้นี่เคยมาจีบผู้หญิงแข่งกับเราแล้วเราแพ้มันทุบปีเกลียด ม, น ม, ยดดนมนนันความเกลียดฝุดขึ้นมาเนี่ยรู้ทันรู้ทันความเกลียดที่ผุดขึ้นมานี่หัดไปอย่างนี้นะมันอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยฝึกได้ขับรถอยู่นะเจอแต่ไฟแดงวันนี้ใครเคยรู้สึกไหมบางวันขับรถจากบ้านนะเจอไฟแดงทั้งวันเลยหงุดหงิดนะหรือสดชื่นโอ้สีแดงสวยไม่รู้สึกกนะันนะซึ่งหงุดหงิด วันนี้เจอแต่ไฟเขียวสบายใจเจอไฟแดงหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเจอไฟเขียวดีใจรู้ว่าดีใจแต่เวลารถติดแถวยาวๆเจอไฟเขียวไม่ดีใจรู้สึกไหมกระวนกระวายใจอุ้ยจะทันไหมวนะน่ะเนี่ยกระวนกระวายรู้ว่ากระวนกระวายไม่ตามมองเห็นเนี่ยความรู้สึกต่างๆนาๆนาเกิดขึ้นคอยรู้มันไปความรู้สึกต่างๆนานานั่นแหละจะแสดงไตรลักให้ดูเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะ หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนนะอย่างได้ยินเสียงเขาชมนะทีแรกสมมตินะเรากำลังนอนหลับเพลินๆอยู่นะโทรศัพท์ดังนี่เสียงมากระทบแนละ้วงุ่ดหงิดนะแหมอยากนอนมันโทรศัพท์มาใครนะมันโทรมาได้ยกหูขึ้นมาฟังอ้าวเป็นแฟนเรานะอุตส่าห์โทรมาเนี่ความงุ่ดหงิดซลิกกลับเลยเป็นดีใจคุยไปคุยมาขัดคอเราแ้ชักโมโหแล้วนะดีใจเปลี่ยนเป็นโมโห เนี่รู้ความเปลี่ยนแปลงไปง่ายๆฝึกง่ายๆอย่างนี้แหละนะฝึกโง่ๆฝึกไปเถอะนะฝึกฉลาดฉลาดไม่ได้กินหรอกนะฝึกฉลาดมวัวแต่คิดมากรู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นรู้ซื่อๆนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรู้ขึ้นมาล้วนแต่แสดงใจลักณทั้งหมดเลยนะรู้กายก็ได้นะรู้จิตก็ได้ถ้ารู้กายก็เห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินที่นั่งที่นอนเนี้ยไม่ใช่ตัวเรา เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืนเดินนั่งนอนหรือเห็นอย่างนี้ก็ได้ร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยเดินก็เมื่อยนอนก็เมื่อยนะใครว่านอนไม่เมื่อยนอนเมื่อยทุกคนนะมันถึงต้องคลิกซ้ายพลิ ก, กว่าแก้เมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถแก้เมื่อยหายใจเข้าหายใจออกนะดูให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็ได้นะเห็นเป็นอนัตตาเนี่ยไอตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกวัตถุ ธาตุมันเคลื่อนไหวไปมาเป็นแต่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ก็ได้นะหรือดูให้เห็นทุกก็ได้นะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจเพื่ออะไรหายใจเพื่อแก้ทุกข์เหมือนกับการเปรียดอิริยาบถนั่นเองหายใจก็แก้ทุกข์นะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์นะต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วไม่หายใจเลยก็ทุกข์อีกอ่ะนะ งันจริงๆแล้วร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ดูกายให้เห็นเป็นทุกขนะ์ดูอย่างนี้ง่ายๆนะหรือนั่งอยู่แล้วมันเมื่อยนีย่ก็ขยับไปเห็นด้วยขยับแป๊บเดียวเดี๋ยวเมื่อยอีกแล้ะขยับอีกแล้วนะดูทุกวันทุกวันดูบ่อยๆนะจะเห็นในกายนี้ทุกตลอดเวลาเลยถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งวันเลยใจมันจะไม่ยึดถือกายนะนะหรือจะมองให้เห็นเป็นอ น, นัตตาไม่ใช่ตัวเราก็ได้เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไปมาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นของที่จิตไปรู้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้สรุปแล้วก็คือดูแล้วให้มันเห็นไตรลักษณ์จริงๆไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์นะคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาคิดเรื่องไตรลักษณ์อย่างเก่งที่สุดเลยสูงที่สุดเรียกว่าสัมมาสัญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่วิปัสสนาต้องเห็นกายเห็นใจนี่เกิดดับจริงๆ พวกเรามาจากหลายสำนักนะคนที่มาวัดหลวงพ่อเนี่ยไม่เลือกสำนักนะมาสารพัดเลยสำนักยกเว้นสำนักเข้าส่งไม่ค่อยมีนะมาแล้วไม่ค่อยถูกใจสำนักต่างๆนะมากันเยอะแยะสายอภิธรรมก็เยอะนะสายอภิธรรมก็เยอะสายยุ้ยวัตพุทธก็มีพองยุบเยอะแยะนะยุ้วัตพุทนี่เยอะกว่าเพื่อนเลยมีทุกสายแต่มาเรียนอันเดียวกันได้ไม่ตีกันหรอกเราเรียน ทำยังไงสติตัวจริงจะเกิดเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำอันนั้นแหละแต่ว่าทำแล้วเคยหยียบขึ้นมาเป็นสเต็ปที่สามที่สี่ให้ได้อย่าติดอยู่สเต็ปที่สองส่วนใหญ่อยู่หนึ่งกับสองเดินจงกรมก็เพ่งมันแต่เท้าอ่ะเพ่งมันแต่เรื่อยเพ่งเพงในที่สุดจิตก็รวมเข้ามานะรู้สึกเดินไปแล้วตัวลอยแทบจะไม่ติดพื้นนะ่านาการของปีตินะ หรือนั่งดูท้องพองยุบไปแล้วก็รู้สึกสู้ซาสู้ซาขึ้นมานะเหมือนตัวอะไรมาไตเม็นคนลุกไม่ใช่วิปัสนาญาณ น, นะนั่นอาการของสมถะนั่นปีตินะแยกให้ออกนะอย่าไปหลงกนว่าอาการทางร่างกายเป็นวิปัสนาญาณญาณเป็นชื่อของปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจไม่ใช่อาการทางร่างกายหรือหายใจไปนะส่วนมาหายใจไปเดี๋ยวก็เคลิ้มเคริ้มหลวงพ่อตอนเด็กๆหัดกับท่านพ่อรีนะหัดนิดเดียวนะ นางแป๊บเดียวนะเซิฟออกไปเที่ยวข้างนอกนู่นไปไปมาๆนะชักกลัวผีเอ๊ะออกไปแล้วไปเห็นผีก็จะทํำยังไงนะกลัวทีนี้เลยหายใจไม่ให้เคลิบได้ดีเพราะว่ากลัวผีนี่แหละไม่งั้นก็คงเที่ยวเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์อะไรไร้สาระเย่า ง, งั้นหัดรู้สึกตัวไปนะวิธีปฏิบัตินะเบื้องต้น ทำกรรมฐานนั่นแตหนึ่งขึ้นมาแล้วหัดรู้สภาวะนะรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้โดยเฉพาะรู้จิตเนหลวงพ่อแนะนํามากเพราะอะไรเพราะมันเหมาะกับคนในเมืองครูบาอาจารย์ของเรารุ่นก่อนก่อนเนะีท่านเป็นชาวไร่ชาวนานะสิ่งที่ท่านต้องการคือความสุขความสงบในชีวิตท่านลําบากงั้นท่านอยากได้ชีวิตที่สงบสุขเนใจท่านน้อมไปทางทันหาจริตส่วนพวกเราคนรุ่นนี้คิดมากพวกคิดมากทั้งวันนี้เขาเรียกว่าพวกทิฏจิจจริต พวกตันหาจริตหมอที่จะรู้กายพวกทิฏฐิจริตหมอที่จะดูจิตถ้าจะดูกายต้องทําสมถะก่อนจนมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจะดูจิตดูไปเลยแล้วสมาธิเกิดขึ้นทีหลังเรียกว่าปัญญานําสมาธิถ้าดูกายก็ใช้สมาธินําปัญญาทําสมาธิแล้วมาดูกายอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่เสร็จแล้วสุดท้ายต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาจะมีทั้งสองอย่าง มีอันเดียวไม่บรรลุนะใจไม่ได้เบอร์สิบสี่รู้จักใจลอยหรื อ, อยังนะเบอร์หกก็ใจลอยรู้จักไหมเบอร์สามก็ลอยกับเขาด้วยเบอร์หกสิบสามรู้จักใจลอยหรื อ, อยังมันลอยอย่างตะเกียะลอยเท่งเต่งเลยนะ <laughs> มิงง่วงมากไหม รู้สึกแต่นะอย่าให้ซึมเบอร์หกสิบสี่รู้จักใจลอยอยังนะกำลังลอยอยู่เลยรู้สึกไหใจลอยนี่คือใจหนีไปคิตนั่นเองนะไม่ใช่ลอยไปไหนนะส่วนให่ลอยไิคิตขณะที่ใจลอยไปคิตใจรู้เรื่องที่คิดขณะที่รู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัตมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว มื่มันไปรู้อารมณ์บัญญัติแล้วมันรู้อารมณ์ปรามัดคือรู้กายรู้ใจไม่ได้นิมนต์ครับท่านอาจารย์นิมนต์รู้สึกไหมหันไปดูพระลืมตัวเองรู้สึกไหมใจไปอยู่กับพระดูออกไหมนี่ใจมันหนีไปอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าหลงทางตานะะหลงทางตาหลงทางหูหลงทางใจหลงทางใจเกิดบ่อยหลวงพ่อชอบสอนรู้สึกนะส่วนมากหลวงพ่อจะสอนให้เผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึก อะไรเพราะเผลอเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยแยกเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นกุศลกับอกุศลอกุศลเกิดมากกุศลเกิดน้อยนี่เป็นธรรมดาของทุกคนเลยนะกุศลไม่ค่อยมีหรอกอกุศลมีมากอากุศลคือโลภโกรดหลงเนี่ยหลงมีมากที่สุดเนะพราะว่าถ้าไม่หลงก็ไม่โลภไม่โกรดด้วยนะความโลภความโกรดต้องประกอบด้วยความหลงเสมอ ไว้ความหลงเป็นกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดความหลงเนี่ยหลงมีหกแบบหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หกอย่างหลงไปทางตาคือหลงไปดูหลงไปทางหูนี่หลงไปฟังหลงทางตาไปดูเขาลืมตัวเองหลงไปทางหูไปฟังเขาลืมตัวเองเหมือนอย่างตะเกียเราหลงไปทางตาแล้วเห็นอาจารย์วิวัฒน์มาเราไปมองปุ๊บเราลืมกายลืมใจของเราเมื่อไร่ลืมกายลืมใจตัวเองไม่นั่นเรียกหลงทั้งหมดนะเรียกว่าหลงทั้งหมดเลย เรัางงานรู้เรื่องที่คิดอยู่นั่นแหละเรียกว่าหลงเพนะก็เรื่องราวที่คิดไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเป็นแค่สิ่งที่คิดคิดฝันฝันขึ้นมาเองภาษาปริยัติเรียกว่าอารมณ์บัญญัติเรื่องที่คิดขึ้นเองเพรนเมื่ อ, อไรเราไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อนั้นเรียกหลงทั้งหมดหลงทางตาหลงไปดูลืมตัวเองหลงทางหูหลงไปฟังลืมตัวเองหลงไปทางจมูกมัวแต่ดมกลิ่นลืมตัวเองหลงทางลิ้นนี่หลงรส เช่นบางคนตั้งใจจะไดเอทนะอยากจะไดเอทไปกินข้าวข้าวโอ้ร้านนี้อร่อยกว่าจะนึกได้ว่าไดเอทน้ำหมดไปสามจานและนี่หลงในรถนะลืมตัวเองแต่หลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงทางใจหลงทางตาแล้วก็มักจะต่อด้วยหลงที่ใจหลงทางหูแล้วก็มักจะต่อเข้ามาหลงที่ใจเพราะฉะนั้นหลงทางใจนี่อยู่คนเดียวเฉยๆก็หลงไปเรื่อยนะหลงคิดไปเรื่อยหลงทางใจคือหลงที่เกิดบ่อยที่สุด ตามพันไหมแรกหลวงพ่อแยกสภาวธรรมก่อนนะมีกูศนกับอกูศนเนี่ยอกูศนเกิดบ่อยกูศลเกิดน้อยอกูศนที่เกิดบ่อยก็คือหลงมีโมหะหลงที่เกิดบ่อยคือหลงทางใจได้แก่การหลงคิดรู้สึกไหมเราคิดทั้งวันคิดยี่สิบสี่ชั่วโมงแหละถ้าแคบจะว่าอย่างนั้นนะนะคิดเรื่อยๆเวลาที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดบ้างบางทีก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่รู้ว่าคิดอะไรหรือว่าหลงสุดจิต บางทีรู้เรื่องที่คิดนะทุกคนคิดแล้วรู้เรื่องที่คิดแต่ขนาดที่รู้เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าหลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลงคิดเนี่ยเป็นหลงที่มากที่สุดคือสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดนะหลงคิดคือสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดไม่มีกุศลหลืออกุศลใดเกิดมากเข้าหลงคิดนั่นอครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านจับแก่นตรงนี้ได้ท่านเน้นลงมาที่การหลงคิด มีพระองค์หนึ่งหลวงพ่อไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านดอกไม่ได้เรียนจาบท่านคือหลวงพ่อเทียนแต่หลวงพ่อเจียนเป็นซระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะหลวงพ่อเทียนสอนได้เด็ดขาดมากเลยบอกว่าถ้าเมื่ อ, อไร่รู้ว่าหลงคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าหลงคิดนะคนทั้งหลายรู้อะไรคนทั้งหลายรู้ว่าคิดเรื่องอะไรส่วนนักปฏิบัติรู้ว่าจิตแอบไปคิดอยู่ หลวงพ่อคำเขียนก็สายหลวงพ่อเทียนสืบต่อกันมาท่านมีคำหนึ่งคํานึ่งท่านว่าลักคิดลักที่แปลว่าขโมยอะลักคิดลักคิดคือใจมันแอบคิดทั้งวันนั่นแหละมันลักคิดขโมยคิดทั้งวันนะเมื่อไรเรารู้ว่าใจเราอแอบไปคิดเพราะนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเพราะเราไม่หลงแล้วงั้นใจที่หลงคิดเนี่ยเกิดบ่อยนะเพราะงั้นเราหัดรู้จักใจที่หลงคิดไหลไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึก นี่คือจุดที่หลวงพ่อสอนมากกว่าจุดอื่นเพราะอะไรเพราะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยคุณเสื้อเหลืองนะั้นอะหลงคิดแล้วรู้สึกไหมมันหลงคิดนะ่ะคุณนี่ก็หลงไปแล้วเห็นไหมหลงไปดูเขาคุณผู้ชายหลงไปดูคุณผู้หญิงนี่ไปดูเขาก็ลืมตัวเองแล้วก็ไปคิดต่อเลยเนี่ยคุณผู้หญิงหลงคิดอีกแล้วเห็นไหมแต่จะหนีแวบแวบแวบหนีไปคิดทั้งวันนะหนีไปคิดทั้งวันทั้งคืนถ้าเมื่อไหร่รู้ว่ามันไปคิดนะ แม้นั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยเมื่อเราตื่นขึ้นมาเกิดความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยบางครั้งสติเราลึกรู้กายบางครั้งสติเราลึกรู้จิตเลือกไม่ได้นะ อ, อ่ไม่ใช่เลือกว่าจะรู้แต่กายล้วนๆวนหรือจะรู้แต่จิตล้วนๆนถึงจุดนี้ไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปแล้วถึงจุดที่สติตัวจริงเกิดไม่มีสายแล้วมีสายเดียวเท่านั้นแหละนะคือมีสติหรือขาดสติเหลือแค่นี้เองเบอร์หกสิบขาดสติแล้วรู้สึกไหมแอบไปลักคิดแล้ว บอร์หกสิบังคับตัวเองแล้วทราบไหมเท่งเอาไว้แนละ้วบังคับกายบังคับใจนะเนี่ยสิ่งที่ผิดมีสองงานเผลอไปรักคิดไปกับบังคับกายบังคับใจไว้เผลอไปก็เรียกว่าตามใจกิเลสเรียกว่าตามสุ ข, ขาริการุโยกเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายชั่วบังคับกายบังคับใจเรียกอดยัดต า, ากิลมัฐานุโยกเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายบุญเป็นบุญนะ แต่เป็นบุญในโลกียะพาเราไปเกิดเป็นคนดีๆเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยคอยบังคับตัวเองควบคุมตัวเองก็ได้เป็นคนดีสิบังคับเก่งๆก็เป็นเทวดาเป็นพรหมไม่เกี่ยวอะไรกับมรคนิพพานคนละเรื่องเลยนะเพราอะไรเราต้องบังคับตัวเอ ง, ง Rings ทํไ bon าไมเราต้องปรุงแต่งฝ่ายดีเพราะอวิชชาพาปรุงแต่งปรุงแต่งฝ่ายชั่วก็อวิชชาพาแต่งนะปรุงแต่งฝ่ายดีก็อวิชชาพาแต่งหลีกนี้การกระทบอารมณ์ก็อวิชชาพาแต่งอีกนะ ความปรุงแต่งทั้งสามแบบนี้นะอปุญญาพิสังขารปรุงชั่วอปุญญาพิสังขารปรุงดีอาเนนชาพิสังขารนี่หนะลีกเลี่ยงการกระทบเข้าอารูปเนียทั้งหมดนี้มาจากรากง่าวนเดียวกันคืออวิชาอาวิชาคืออะไรอวิชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์นี่แหละตัวสําคัญคําว่าทุกข์ลึกซึ้งที่สุดเลยนะลึกที่สุด ถ้าเมื่อไร่รู้ทุกข์แจมแจ้งสมุทัยหรือตัณหาจะถูกละอัตโนมัตินิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาโดยอัตโนมัติปรากฏทันทีไม่ใช่ต้องรอให้ตายแล้วปรากฏปรากฏเดี๋ยวนี้เลยเพราะงั้นการรู้ทุกข์นี่แหละสำคัญถ้าเราไม่รู้ทุกข์นะอวิชชาก็าจะเกิดเอ๊ะเกิดอวิชชาขึ้นมานะก็เกิดตัณหาอุปาทานนะ<ม>เพราะว่าเราไม่รู้ทุกข์คือเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา เราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราไม่รู้หอกว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกเราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเมื่อเราคิดว่ามันเป็นตัวเราเรียกว่ามีอวิชชาแล้วนะไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นของโลกไม่ใช่ของเราไปขี้ตัวเอามาเป็นของเรานะเอากายเอาใจนี้มาเป็นของเรานี่เรียกว่ามีอวิชชาเมื่อมันมีกายมีใจเป็นของเราขึ้นมามันก็อยากให้กายมีความสุขอยากให้ใจมีความสุขแม้มีตันหาขึ้นมามีความอยาก เราอยากจะหาความสุขวิธีหาความสุขก็คือการตรุงแต่งสามแบบที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่เองคนไม่ฉลาดก็เที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปเขาคิดว่าถ้าได้อารมณ์ที่พอใจนะจะมีความสุขพวกชาววัดฉลาดขึ้นมาอีกหน่อยเห็นว่าลําพังเที่ยวหาอารมณ์ที่พอใจนะสุขบ้างทุกบ้างสู้สเรากําหนดไว้รักษาจิตให้มันดีให้มันนิ่งถาวรมันสุขถาวรนี่มันมีสุขมากกว่า พวกนี้ก็เลยปรุงแต่งการบังคับตัวเองขึ้นมาเพรนั้นกรรมาฐานที่แงหลายที่เราทํานะเราทำเพราะาอยากให้มันสุขอยากให้มันดีอยากให้มันสงบอยากได้มรรคผลนิพพานนะั่นนะเอาวิชาพาทำทั้งสิ้นนะต้องระมัดระวังนะค่อยๆเรียนตรงนี้เริ่มฟังยากล้วนะอาวิชามันคือเราไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีเราคิดว่ามีเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันดีเราก็ดีแบบคนดีนะเข้าทํากรรมฐานควบคุมกายควบคุมใจ พ่อแม่สอนเดินมาอย่างหนึง่งไปทำกรรมฐานเดินมันอีกอย่างนึงนะคิดว่ามันจะดีกว่าเก่านะเคยหายใจสบายๆมาทำกรรมฐานหายใจมันไม่เหมือนคนธรรมดาละนะทำอะไรที่มันเหนือธรรมดาต้องเป็นซูปเปอร์แมนนะถึงเรียกนักปฏิบัตินะนี่เอาวิชาพาทำทั้งสิ้นเลยเพื่ออะไรเพื่อตัวครูจะได้มีความสุขนะเพื่อตัวครูจะได้มีความสุข อีกพวกหนึ่งเห็นว่าลาทางควบคุมกายควบคุมใจยังไม่สุกจริงยังคุมไม่ได้ถาวรทางที่ดีถ้าจิตไม่ต้องรู้อะไรเลยแล้วจะมีความสุขนะพวกนี้ก็หัดเพ่งเอานะพวกเพ่งนามก็เข้าอารู้ประชานไม่รู้อะไรแล้วสบายไม่มีใครมากระทบกระทั่งจิตใจไม่กระเสือนไม่ต้องคอยดูแลรักษาสบายนะอีกพวกหนึ่งเพ่งรูปนะเพ่งร่างกายไปเรื่อยเช่นขยับมือนะจิตแนบอยู่ที่มือนะไม่ให้กระดิกเลย เมื่อไหวคลิกๆๆในรู้หมดเลยนะให้จิตแนบลงที่รูปเลยถึงขีดสุดมันจะได้ฌานที่สี่แล้วก็ไม่ชอบนามนี่มันจะบคลิกเข้าเป็นปรหมลูกฟักเรียกว่าอาสัญญาสัตตาภูมิพอเป็นพรหมลูกฟักปับ๊บไม่รู้อะไรแล้วเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งทื่อๆอยู่ไม่มีความทุกข์ความสุขอะไรก็คิดว่าเนี่ยแหละดีแล้วเป็นนิพพานที่จริงเป็นพรหมลูกฟักไม่ใช่นิพพานคือความปรุงแต่งไฟอนเนนชาที่สังขารเหมือนกัน หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ไปสามอย่างนี้ล้วนแต่เกิดจากวิชานะเราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราก็เลยอยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์เราพระพุทธเจ้าค้นพบทางอีกเส้นหนึ่งท่านบอกว่าลาําพังจะมานั่งปรุงแต่งสามแบบปรุงชั่วปรุงดีปรุงอาเนชชาเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์จริงถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้กายรู้ใจจนเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา เมื่อไรรู้ลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจคืนให้โลกคืนให้ธรรมชาติไปเรียกว่าเราฉลาดสุดจิแล้วรู้ทุกเต็มที่แล้วรู้เลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆนะจิตมันปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจคืนกายคื น, คนใจให้โลกไปเราจะหมดความดิ้นรนทางใจทันทีคือจะไม่ต้องอยากให้ร่างกายนี้จิตใจนี้มีความสุขไม่ต้องอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกขนะ์ความอยากจะดับอัตโนมัติ ถ้ารู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งสมุทัยจะถูกล่าอัตโนมัติตรงนี้เข้าใจยากแล้วนะเรื่องนี้เรื่องอริยสัจเข้าใจยากมากเพราะคนที่เข้าใจอริยสัจเนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยถ้าเข้าใจอริยสัจนะจะไม่เกิดละข้ามภพข้ามชาติถ้ายังไม่เข้าใจอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอันแรกคือทุกข์นะท่านสอนบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตอนท้ายท่านสรุปบอกว่าว่าโดยย่อดโดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าคือขันท่าเหล่านี้คือตัวทุกข์ท่าไมต้องบอกประโยคท้ายนี้บอกเพื่อแก้ความหลงผิดของเรา พอเราได้ยินบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เราจะแปลอย่างฉับพลันเลยแปลบอกว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์คนพลาดพลาดกับสิ่งที่รักนะคนเจอสิ่งที่ไม่รักคนไม่สมหวังมีความทุกข์มันจะมีคนขึ้นมานะท่านถึงต้องตบท้ายบอกว่าไม่มีคนนะมีแต่รูปนามขันห่านะเพราะท่านสอนบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ ท่านไม่ได้สอนว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่เหมือนกันนะธรรมะลึกซึงนะต้องค่อยๆเรียนเราคิดแต่ว่ามีคนแต่ท่านสอนจนเห็นว่าไม่มีคนไม่มีตัวเรานะงั้นถ้าเมื่อไหร่เห็นแจ้งนะว่าไม่มีเรานะมีแต่ขันห้าขันห้าทำงานของมันเกิดดับเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวเราพอหมดตัวเราก็หมดตัณหาหมดความดิ้นรน รู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็หมดการดิ้นรนที่จะหาความสุขหมดการดิ้นรนที่จะค้นทุกขนะ์พอรู้แล้วมันทุกข์แน่นอนใจปล่อยวางไปนะไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วฉะนั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมูทัยถุกละสมูทัยถ้าถูกละได้หมดจดงดงามนี่นิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นเองเพราะั้นอริยสัจสี่ท่านสอนได้สวยงามมากนะท่านบอกเริ่มจากทุกข์ใช่ไหมแล้วต่อด้วยสมูทยัยต่อด้วยนิโรธสรุปด้วยมรร แท้จริงแล้วก็คือการรู้ทุกจนละสมุทัยแจ่มแจ้งนิโรดนั่นแหละคือมรรคนี่ท่านสรุปไปอย่างนี้แต่ก่อนหลวงพ่ อ, อยังเด็กๆนะอ่านอริยสัจงงงนะทําไมท่านไม่เริ่มอริยสัจด้วยสมุทยัยนะน่าจะบอกสิมีเหตุอย่างนี้นะเลยก็มีผลเป็นทุกข์ทําไมท่านมาเริ่มด้วยตัวทุกข์ไม่เริ่มด้วยตัวสมุทยัยต่อมาพอไปทํางานนะเป็นนักวิเคราะห์อ๋อพระพุทธเจ้าสอนแบบวิเคราะห์ เริ่มต้นด้วยทุกคือเริ่มด้วยปัญหาแล้วมาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วมากําหนดวิธีแก้ไขนี่โง่แท้ๆเลยคิดออกมาได้ที่จริงแล้วท่านสอนอริยสัจเพื่อการปฏิบัติล้วนๆท่านถึงเริ่มจากทุกขทุกคืออะไรทุกคือขันธ์ห้าคือกายกับใจให้ทํายังไงกับทุกให้รู้ทุกนะไม่ใช่ให้ละทุกพวกเราอยากล้าทุกเราไม่ยอมรู้ทุกรู้ทุกรู้ยังไงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง อะไรทําให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้เผลอไปกับเพ่งเอาไว้ทําให้รู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่ตรงความจริงถ้าเพลอไปนี่ไม่รู้กายรู้ใจเลยถ้าเพ่งไว้รู้ไม่ตรงความจริงเพราะกายกระใจจะนิ่งผิดความเป็นจริงเนี่ยเรารู้ทุกนะรู้ลงไปรู้ลงไปถ้าใจไม่หลงสุดตกสองข้างใจก็เข้าทางสายกลางเองจะรู้ทุกตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจได้ะรู้ไปเรื่อยเรืเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเรา ตัวเราไม่มีคนที่เห็นว่ากายแก่ใจไม่ใช่เราเราไม่มีนั่นแหละคือพระโสดาบันล้ความเห็นผิดว่ากายกก่ใจเป็นตัวเราได้เพราะงั้นต้องเรียนอยู่ที่กายกก่ใจนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมแต่ละขั้นแต่ละขั้นล้วนแต่เรื่องกายกก่ใจทั้งนั้นเลยนะพระโสดาบันเนี่ยเห็นกายกก่ใจไม่ใช่เราสักขีทาคาพ่านนาคาพาระนลหันเนี่ยค่อยปล่อยวางกายวางใจไปตามลําดับพนะระละหันนั่นคือปล่อยวางจิตได้ล้วแม้เรื่องทุกข์ก็ยากแล้วนะ จะรู้กายรู้ใจทุกให้รู้วิธีรู้ก็อย่าหลงไปสงข้างต้องให้สติเป็นตัวไปรู้สติเกิดได้ยังไงเกิดเพราะจิตจําสภาวะได้ทําไมจิตจําสภาวะได้เพราะเห็นบ่อยๆทําไมถึงเห็นบ่อยๆเพราะทําสติปัฏฐานคอยรู้กายคอยรู้ใจไปบ่อยๆนะเบื้องต้นเอาอะไรก็ได้อันหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วรู้ลมหายใจไปก็หัดสังเกตสภาวะไปนะรู้อิริยาบถสีก็สังเกตสภาวะไปนะขยับมือนี่ เรียกว่าสัมปชัญญะบับพะนะเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็รู้กายรู้ใจของเราไปยคอยดูไปเรื่อยเี่ยในที่สุดสติเกิดเองแล้วสติเกิดเองมันไปรู้กายรู้ใจโดยไม่ได้จงใจจะรู้แลนะมันจะหลุดออกจากทางสุดโต่งสองข้างคือเผลอไปกับเพ่งไว้เพราะงั้นเวลาเราปฏิบัติไปช่วงหนึ่งสติจะเกิดขึ้นเองรู้สึกไหมจะเกิดขึ้นเองปั๊บเราขาดสะบั้นเลยนะนะอกุศลจะขาดทันทีเลยนะนี่เราฝึกไปเรื่อยนะ นี่แค่เรื่องทุกข์นะยังต้องเรียนเยอะเลยเรื่องสมูทายนี่สมูทายก็เยอะนะเหตุให้เกิดทุกข์เนี่คนทั่วๆ่วไปรู้สึกว่าเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรรู้ไหมคือความไม่สมอยากถ้าอยากแล้วสมอยากไม่ทุกข์ใช่ไหมอ่าถ้าไม่สมอยากเราจะทุกข์นี่ส่วนชาววัดคิดว่าถ้ามีความอยากแล้วจะมีความทุกข์พวกเราฝึกกรรมฐานไปเรื่อยๆจะเห็นเลยถ้ามีความอยากเราจะทุกข์ถ้าไม่มีความอยากไม่ทุกข์ น, นึกว่าเจ๋งแล้วนะนึกว่ารู้จริงนะไม่ได้เรื่องหรอกนะแต่ก็ยังดีกว่าพวกแรกคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั่วไปก็ ค, คิดว่าถ้าไม่สมอยากล้วทุกนักปฏิบัติเห็นว่ามีความอยากแล้วก็มีความทุกจะสมอยากหรือไม่สมอยากแค่อยากก็ทุกแล้วในความเป็นจริงก็คือขันห้าเป็นทุก์จะอยากหรือไม่อยากก็ทุกเห็นไหมท่านถึงเริ่มจากทุ ก, ก่อนนะ ถ้าเราไม่รู้ทุกข์มันก็เลยอยากอยากค้นทุกข์ยิ่งอยากจิตใจก็ยิ่งดิน้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์เพราะงั้นทุกข์และสมุทัยเนี่ยยิงอาศัยกันอยู่ <Okay. S 1> เพราะว่ามีสมุทยัย <Okay. S 1> ก็จึงเกิดทุกข์เนี่ยมีความอยากขึ้นมานะจิตใจก็ดิ้นโลนใหญ่เลยมีความทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์นะจึงเกิดสมุทยัย <Okay. S 1> นี่แหะคือวัตตะละวัตวัตโสสารหมุนอยู่แค่นี้เอง ก็มีสมูทัยจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมูทัยแต่ธรรมะฝ่ายวิวัตต์ตที่จะข้ามโลกนะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจึงละสมูทัยเพราะสมูทัยถูกละจนไม่เหลือนะนะั่นแหละนิโรธจึงแจ้งงั้นรู้ทุกข์ไว้นะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเลยนั้นเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรานี้ได้โสดาเบื้องปลายนั้นเบื้องกลางกลางก็วางความยึดถือกายได้ ได้เป็นพระอนาคามีเบื้องปลายวางความยึดถือจิตได้เป็นท่ารหันมีเท่านี้นะเสร็จแล้วนิโรธมันจะแจ้งเรื่องนิโรธก็ต้องเรียนเยอะอีกนะรู้สึกเรื่องที่ต้องเรียนมันเยอะนะเรื่องมรรคก็ต้องเรียนเห็นไหมมรรคมีองค์แปดมีองค์แปดจะต้องเรียนทั้งแปดตัวไหมเวลาทําจะทําตัวไหนก่อนหรือทํำมาละตัวแปดวันได้แปดตัว น, นั้นประสาทกิตแล้วนะ <c oughs> มรรคมีหนึ่งนะมีหนึ่งแต่มีองค์ประกอบแปดอย่างเหมือนแมงมุมตัวเดียวแล้วมีแปดขามรรคมีหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่มีแปดวิธีจเจริญมรรคเนี่ยมีสติไว้จเจริญสัมมาสติไว้ <c oughs> แล้วองค์มรรคที่เหลือจะเกิดขึ้น <c oughs> องค์มรรคที่เหลือจะประชุมพร้อมกันเมื่อจิตเกิดสัมมาสมาธิด้วยปัญญา <c oughs> ค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังไป แต่ว่าฟังอย่างเดียวไม่พอต้องหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยฟังหลวงพ่อพูดไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องธรรมะที่หลวงพ่อพูดมันเป็นธรรมะของหลวงพ่อธรรมะของใครของมันนะตัวใครตัวมันต้องเรียนเอาเองคนที่สอนธรรมะพวกเราได้คือกายกับใจของเราเองคนอื่นสอนไม่ได้นะให้ใครรู้อยู่ที่กายใครรู้อยู่ที่ใจกายเรียกว่ารูปธรรมเห็น ไ, ไหมเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมใจก็เป็นธรรมะเรียกว่านามธรรม นั่รู้กายรู้ใจไปแล้วก็จะเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าทั้งรูปกธรรมและนามธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปเป็นอนาาัตตาพอเข้าใจอย่างนี้มันจะปล่อยวางนะวิมุตต์จะเกิดขึ้นตรงความเข้าใจเรียกว่าปัญญามีสติรู้การยรู้ใจไปเรื่อยๆใจมันจะตั้งมั่นเป็ น, ปนแค่ผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาในสุดจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดคือเกิดความเข้าใจความเป็นจริงว่ากายกับใจเป็นไตรลักษณ์พอเข้าใจความเป็นจริงวิมุตต์มันจะปล่อยวางความเป็นยึดถือกายยึดถือใจได้ ก็พ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจได้มันก็แจ้งนิพพานเลยนะเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปอ้อนวอนขอจากใครนะหลายคนทําบุญแล้วก็อ้อนวอนนะนิพพานปภัตเจโยโตัอะไรอย่างนี้นะตูเตออะไรกันนะก็ขอไปอย่างนั้นแหละนิพพานนิพพานไม่ใช่เกิดจากความอยากนิพพานเกิดจากสิ้นอยากนะฮนะล่ะสิ้นอยากก็เห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มี ฟังรอบเดียวไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะคนที่มาใหม่ๆปกติฟังหลวงพ่อต้องฟังสามครั้งนะตุติยามปีตัดติยัมปีนะอฟังแล้วฟังอีกไม่มีเวลามาฟังก็แจกซีดีให้ฟังนะแจกฟรีด้วยนะอุตสาหหาเงินไปทํามาแจกะแจกแล้วฟังก็แล้วกันฟังหลายรอบฟังแล้วอย่าเพิ่งทําใจบุญไปแจกคนอื่นนะฟังแล้วก็เอามาดูจิตดูใจของตัวไปสองเดือนสามเดือนไปฟังอีกรอบนึง แล้วจะรู้ว่าไอ้ที่เข้าใจอยู่เดิมน่ะไม่ใช่หรอกความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆงั้นหนังสือที่หลวงพ่อเขียนหรือซีดีที่หลวงพ่อพูดพูดไว้นะฟังแล้วฟังอีกได้นะอ่านแล้วอ่านอีกได้รับรองนะกล้ารับรองเลยว่าความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมนะถ้าปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติก็เหมือนเดิมคือไม่รู้เรื่องเท่าเดิมนั่นแหละเหนื่อย อีหน่อยหลวงพ่อแก่กวันนี้นะก็ต้องสอนอย่างครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงปู่ทานะใครไปเห็นหน้าท่านนะกราบกราบท่านนะมีสติรักษาจิตขอบแล้วะมดแรงนะอดทนนะไม่เก็บค้าฟังฟังแล้วฟังอีกได้เรียนธรรมะนะสิ่งที่หลวงพ่อเรียกร้องนะคือทนนะอดทนอดทนไหม จิตใจที่เรียนธรรมะได้ดีที่สุดนะคือจิตใจแบบเด็กๆจิตใจที่ซื่อๆใสๆเรียนธรรมะได้ดีที่สุดจิตใจอย่างผู้ใหญ่เนี่เรียนธรรมะยากความจริงไม่เฉพาะธรรมะหรอกเป็นกตุแม่เด็กเล็กๆเนี่ยมันเรียนรู้ได้รวดเร็วมากเลยเพราะอะไรเพราะใจของมันว่างเปล่ามันไม่มีข้อมูลเดิมเยอะผู้ใหญ่เรียนอะไรใหม่ๆยากนะอยากฟังหลวงพ่อพูดฟังปุ๊บต้องศึกษาเปรียบเทียบแล้ว เคยฟังวัดโน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างงั้นนะเปรียบเทียบไปเรื่อยๆอย่างเนี้เรียนยากเข้าใจยากถ้าสวมหัวใจของเด็กเรียนง่ายเด็กๆนี่ยมันซื่อๆมีอะไรมามันก็รู้ไปอย่างงั้นแหละันก่อนมีเด็กมานะสิบเ็ดปวกหลวงพ่อถามสภาวะธรรมของเด็กนะเด็กตอบชอชอชอชอชอนะเสียงดังเลยนะคนยื่นไมโครโฟนให้ไม่ต้องค่ะ <laughs> อธิบายธรรมะนะชดชดชดนะผู้ใหญ่ตาค้างเลยพระหลวงพ่อนั่งสั่นเลยนะเ <c oughs> นี่ยอย่าองค์สุดท้ายนั่นนงเฮ้ยทำไมมันอย่างนั้นล่ะนะ <c oughs> เรียนแบบซื่อใสๆนะ <c oughs> เรียนแบบชาล้นถ้วยไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> ค่อยๆฟังนะฟัง <c oughs> ฟังแล้วก็ปฏิบัติทดลอง <c oughs> ถึงวันหนึ่งใจก็จะเห็นขึ้นมาสติเกิดเอง รักสติเกิดเองอาคุสดับทันทนะีสติเกิดทีขึ้นที่ขึ้นทีขึ้ น, นแล้วก็จะเริ่มเห็นเลยอาคุสน้ามมันก็ไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปกุศลสั่งให้เกิดก็ไม่ไดนะ้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เหมือนทั้งกุสนั้งอาุสนเสมอภาพกันคือแสดงใจรักอย่างเสมอภาคกันใจเราจะหมดความรักอันนึงเกลียดอันหนึ่ง ใจของเราจะชอบหลงแต่สิ่งที่เป็นคู่นะจะชอบอันนึงเกลียดอันหนึ่งไปเรื่อยรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วเนี่ยถ้าคนชั่วก็รักชั่วเกลียดดีเอ่าพวกตาดิสพวกมาโซคิสอะไรก็นะรักทุกเกลียดสุขอนะนะแล้วแต่กรรมจัดสรร น, นะบางคนมันรักทุกข์รู้สึกว่าทุกข์เป็นสุขค่อยๆฟังนะฟังไปแต่วันนี้หมดเวลาฟังละนะ